พระธรรมเทศนาแผ่นที่109าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าผีเข้าสิงลิงผีปอบฮาพาเนลูกหลานศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าหกสบวันที่หนึ่งที่จะถึง<ม>พวกเราจะได้บวชนาค ก, กันแต่ว่าการบวชนาคนาคทั้งหมดปีนี้มีส4บสี่นาคนะแต่ที่หลวงพ่อได้พูด อาไว้ว่าที่ทุกปีที่ผ่านมาก็อนบ15ประมาณ15านาคแต่นี้เดียวเกือบปิมปิมเลยแต่ก็จะได้บวชที่อื่นจะไปบวชที่อื่นแต่มาฝึกขานาคที่นี่สสี่หรือห้านาคแล้วก็จะได้ไปบวชที่อื่นก่อนวันที่แล้วยังค่อยกลับมาแต่ามาจาพรรษาที่นี่เพื่อไปบวชกับ พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยากจะเห็นการบวชของลูกหลานแต่ผู้ที่มาบวชอยู่นี่ก็มารวมกันบวชอยู่ที่นี่วันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช25ั้าร้สบฉันจังหันเสร็จ แ, แล้วก็บวชละบวชพาลูกพาหลานของพวกเรา ศรัทธาญาติโยมกันะมารวมมาร่วมมารวมกันสวนพระอุปชาเราก็นิมนต์ทางจวงพ่อชาลี เ, าเจ้าคณะอำเภออำเภอนายูงที่ท่านไปจำมันสาที่อำเภอภูเรือท่านก็รับนิมนต์มันจะมาบวชเพราะมันเป็นท้องถิ่นของท่านวันที่หนึ่ง ก็คงใช้เวลานานเลยนะจะทายาดยูมนะกว่าจะบวชพระครบทั้งเก้าแลกว่าองคนะ์น่ะก็ชงเวลานานพอจงคุรคงจะเลยเที่ยงแต่ถึงยังไงทางครัวของเราก็เพื่อความไม่ประมาทเพราะอาหารเที่ยงเข้ามาแล้วก็ควรจะมีการเลี้ยงอญาติโกโหติการญาติธรรมของพวกเราอาหารเที่ยงนะแต่หลวงพ่อไม่เกี่ยวละแต่พวก ที่มาบวชจะวิ่งไปหาทานอาหารที่ไหนอยู่ข้างนอกมันไกลพวกในครัวเราก็เลี้ยงค่ะเลี้ยงพี่น้องลูกหลานของพวกเราจะมาต้องมาลงทานขึ้นมาสักโรงหนึ่งสําหรับเลี้ยงแขกญาติธรรมของพวกเราแล้วก็คงจะมาจากทางไกลอีกนะได้ยังค่อยพูดกันในรายละเอียดที่จะมาสงนา ส่งพระใหม่นะหลวงพ่อจะพูดให้ฟังอีกที่หนึ่งถือว่าการบวชพาลูกพาหลานทุกองค์นาคทุกคนนะการบวชคราวนี้เป็นว่าการแผลผันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในช่วงระยะหนึ่งแต่บางท่านก็อาจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะอยู่ไปเรื่อยๆอันนั้นก็ดีอนุมโมธนานะภาวนาไปเลยถ้ามีพันไม่มีพันธะภาระ แต่บางท่านก็มีเวลาจํากัดจะได้บวชเกิดมาทั้งทีชีวิตไม่ได้บวชเลยก็เป็นคนดิบมาตลอดอย่างน้อยก็ได้เป็นคนสุขสักเดือนสองสามเดือนได้ศึกษาธรรมะอย่างน้อยก็เป็นเข้าในวงสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าขนาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าทั้งรอสิ พระ อ, องค์ก็ยังทรงผนวดให้กับพวกเราเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นตัวอย่างพนัการบวชไม่ใช่ของต่ําต้อยเป็นของสูงส่งทีเดียวขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระ อ, องค์ท่านก็ยังทรงผนวดให้กับพวกเราเป็นตัวอย่างใ ห, ให้ให้เห็นท่านเป็นพุทธศาสนูปถะมพกพวกเราก็เหมือนกันนั่นนหะ แต่ว่าเราจะได้รับความสะดวกสบายั้ยก็รู้อยู่แล้วว่าการบวชก็คือเป็นนักพรตนักบวชเราจะทานอาหารมื้อเดียวเราก็รู้ว่าอาหารมื้อเดียวเรานอนคนเดียวเราก็รู้เราจะพักผ่อนนอนคนเดียวเราก็อากับกิริยาอย่างอื่นๆการชํำรวมกายวาจายอย่างอื่นๆก็อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกฎกติกาหนึ่ง เหมือนกับเราเข้าไปอยู่ต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยกฎกติกาก็แตกแตกต่างกันอันนี้ก็เหมือนกันเข้ามาสู่วัดวาศาสนา ก, นมกา็มีการมีกฎกติกาแตกแตกต่างกันเหมือนกันแต่ละวัดก็ยังไม่เหมือนกันเองแต่ละทํารมพินัยอันเดียวกันแต่ว่าทําไมไม่เหมือนก็นเพราะว่าบางเรื่องบางก็ตามตามกาละการสถานที่สถานที่อยู่ในเมืองเราจะมาทํา เอามาใช้ในป่าในรงก็ไม่ถูกถ้าว่าเราอยู่ในป่ารงพงไพเราจะเอาสถานที่แห่งนี้ไปเปรียบเทียบกับอยู่ในเมืองก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องรู้จักการปรับแต่ผิดวินัยไหมผิดศีลไหมไม่ผิดนะแต่ว่าการเป็นอยู่นั่นก็แตกแต่ต่างกันนี่แหละสิ่งเหล่านี้เราต้องได้ศึกษาทั้งหมดเพราะพวกเราก็มาศึกษา มาศึกษามาเรียนรู้เรื่องกฎระเบียบหลักพระธรรมวินยัยหลักพระธรรมคําคสอนจากนั้นก็นคืออันนี้คือเปลือกนอกจัดว่าเป็นศินศินและวินยัยแต่ถ้าว่าไม่มีศินและไม่มีวินยัยคุ้มครองไม่มีเปลือกต้นไม้ไม่มีเปลือกล่ะพวกเรากินดูสิตายหมดเพราะอะไรเพราะต้นไม้ไม่มีเปลือกศิลหรือวินยัยวินัยน่ะคือเปลือก แต่ห่อหุ้มให้เกิดแก่นแก่นก็คืออะไรคือจุดยืนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพ น, ะ น, นั่นแหละคือตัวอย่างหลักจากนั้นก็หลวงปู่สาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านภาวนาชําระกิเลสภ <c oughs> ายในจิตใจของท่านอ น, นั้นแหะคือแก่นเรารักษาต้นไม้ ที่มีเปลือกมีกับพีแล้วก็มีแก่นนี่แหละให้พวกเราให้เข้าใจเพราะนั้นถึงจะ ย, ย, ยากลำบากยังไงแล้วกั น, นฝ่าฝืนฝ่าฟันอุปสรรคถ้าเราอยู่อย่างนี้คิดว่าเราลำบากถ้าเราอ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพระหันตสาวกพระพุทธพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในปา่ารงพงไพ ถึงหกปีพวกเราก็มาอยู่เพียงสามเดือนใช่ไหมอันนั้นหกปีไม่มียอดยาติโกโหติกาไม่รู้จักใครอีกต่างหากเหมือนกับนี่แหละกออกจากประเทศไทยแล้วไปอยู่ภูเขาควายลักษณะอย่างนั้นแหะเมืองเพียงจนันทร์ภูเขาควายใช่ไมไม่รู้จักใครเลยปา่าดงอยู่ตามลำพังไปอนั้นกันมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหวังมุ่งหวังภาวนาของท่าน อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้านี้ออกจากเวียงหวังท่านไม่รู้จักใครนะที่ไปอยู่ตามลำพังถึงหปีอันนี้พวกเราอย่างรู้นะเข้ามาอยู่ที่วัดป่านาคมน้อยอาหารการบริโภคที่พักพาอาศัยน้ำถ่าสะอา ด, ดใช้น้ำน้ำโสงน้ำอาบมีน้ำปานะมีเพศัดถ้าจะว่าไปสะดวกกว่าพระพุทธเจ้าเยอะ แต่ถึงเราจะไม่เกิดในยุคนั้นก็เถอะนะแต่เรามาเปรียบเทียบดูให้พวกเราไปดูออกจากนาคําน้อยของเราเนี่ยอไปอยู่โน่นไปอยู่ทางเพชรชูบุญไปอยู่ในปาน่าไม่รู้จักใครพอเราคิดดูสิไม่รู้จักใครเลยไปอยู่ใ น, ใ น, ป, นป่าอแล้วก็ไปบําเพ็ญอยู่ในปา่าตอนเช้ามาเนี่ยก็อุ้งอาหารไปขอบิณฑบาตมาฉันอลําบากไหมเนี่ย ต้องลําบากแน่อันนี้พวกเราถ้าจะว่าไปในเรื่องปัจจัยสี่ภายนอกนะได้รับความสะดวกสบายกว่าพระพุทธเจ้าของเราที่สมัยท่านบําเพ็ญที่เป็นศิทธรนะเรรมะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายเปรียบเทียบนะไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอท้อแท้ใจพวกเรามาอยู่อย่างนี้นะสะดวกสบายแล้วทำไมหลวงพ่อมาอยู่ที่แรกองค์แรกมาอยู่ที่นี่หนะลวงพ่อกวาดใบไม้อยู่นะ หลวงพอ่อเคยพูดให้ลูกหลานศรัทธาญาติโยมฟังแต่บัด น, นี้มาถึงขนาดนี้แล้วพวกเราเข้ามาแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายพวกเราอย่าทอแท้อ่อนเอานะพาลูกพาหลานหนากทั้งหลายนะเข้มแข็งสูนะ้ชีวิตต้องสู้นะถ้าเราสู้ข่าวนี้ชนะและต่อไปเราชนะไปเรื่อยๆเราจะอยู่รัฐฐานที่ใดได้ทั้งหมดชนะีวิตต้องชุต้องสู้นะ แล้วก็วันนี้เมื่อวานหลวงพ่อได้ทราบข่าวถึงหลวงพ่อจะไม่ได้เข้าไปเป็นเจ้ากี่เจ้าการเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดทัาาดทาญาติโยมลูกหลานที่ดูแลพระเจดีย์ขององค์หลวงตานะเขาก็แจ้งข่าวบอกกล่าวให้หลวงพ่อได้รับผู้รับทราบนะพอหลวงพ่อใส่ใจถ้าเราใส่ใจเรื่องอะไรนะเราก็ต้องได้รับรู้รับทราบเรื่องอ น, นั้น อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะถ้าว่าถ้าเราไม่ใส่ใจทึกใจอยู่ข้างๆเราไม่ใส่ใจเราก็ไม่รับรู้ไม่ทราบเพร อ, อะไรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจแต่ถึงใจอยู่ไกลขนาดไหนแต่เราใส่ใจอยากจะรับรู้รับทราบในเรื่องนั้นๆก็ต้องมีวิธีกรรมวิธีกา ร, ร ม, มากมายทุกวันได้ยิ่งทันสมัยอีกต่างหากที่เขาจะแจ้งข่าวให้ทราบนะเพราะนั้นผมพ่อเอง ก็ไ้ทราบอันไหนมากําพกบอกกล่าวให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายได้รับผู้รับทราบคือเจอดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยพิพิธภัณฑ์ของที่ท่านที่เซ็นสัญญากันเมื่อวันที่ส7เจดมิถุนายนพุทธศักราช2560ัอแต่งวดแรกทางวัดก็ต้องจ่ายให้49่ล้าน งวดแรกพอเซ็นสัญญาเสร็จแล้วก็มอบเงินแต่ทางสบุญเมลิธเขาไม่พร้อมวันนั้นดังนั้นเขาก็มารับทีหลังเมื่อวานเนี่ยนะตัวของท่านเองมารับเองที่วัดป่าบันตาดหลวงพ่อทราบข่าวนั้นแนตะ่หลวงพ่อทาไมรู้หลวงพ่ออยู่ที่นี่ น, ะนั่นแหละหลวงพ่อใส่ใจนะีหลวงพ่อใส่ใจหลวงพ่อสนใจหลวงพ่อจึงรู้นะรับเมื่อวานเนี่ยท่านอาจารย์สุดใจก็มอบ เช็คให้ไปเลยจากนั้นเขาก็เข้าไปขึ้นเงินที่ธนาคารอุดรนะโอนเข้ากรุงเทพเลยนี่แหละง่ายทุกวันนะใครเป็นสกีพยานลูกศิษย์ลูกหาของท่านรองอดีตรองผู้วาราชการจังหวัดปลัดจังหวัดปลัดนิคมวัยยาวพัจกรใครต่อใคร เป็นนะสิบนะที่ั่งเป็นสกีพยานในการมอบให้เนี่ยหลวงพ่ออินไปอยู่ด้วยไหมไม่ไม่ได้อยู่หลวงพ่ออินอยู่วัดเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยใส่ใจที่จะให้สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์คงลงตาไปเซ็นสัญญาแล้วเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินงวดแรกลูกหลานสทา ญ, ญาติโยมนะต่อไปเนี่ยคงทำไปเรื่อยหลวงพ่อก็อยู่คอยฟัง อันไหนขาดเหลือขาดตกอะไรมีแต่น่นะให้มีความพร้อมเพียงสมัครีในหมู่ในคณะในเครือญาติถ้าว่ามีการประกาศบอกกล่าวเออพร้อมกันเออพวกเราก็เข้าไปพร้อมกันถ้าว่าใครก็ตามไม่เข้าไปพร้อมกันแสดงว่าแตกสมัครีหลวงพ่อว่านะแตกสมัครีในญาตาิถ้าเราเออเอา วันเกิดหลวงตานะวันนิพพานของหลวงตานะวันงานใหญ่หญของวัดป่าบ้านตาดสิทธิอนุสิตก็พร้อมนาพร้อมตากันนั่นลหละคือความพร้อมเพียงสามัคคีนะ้าหากว่าจัดวันนี้เป็นวันทำบุญครบรอบของหลวงตานะ ว, นวันเกิดหลวงตานะ ตัวเองไม่เข้าไปเฉแรงแง่งนะกัว่าพระเะแรงแง่งนะแปลว่าพระไม่เข้าหมู่เข้าเพื่อนนะถ้าเป็นอย่างเล่งหลวงพ่อที่วัดป่านาคำน้อยนะว่าเาาล่งผีปอบนะสมัยลดหลวงพ่อเป็นเด็กนะหลวงพ่ออยู่ในตีนเขานี่ยนะตีนเขาผูกเขียวนะบ้านแหวงนะหลวงพ่อเป็นเด็กน้อยนะอมีเล่งปู่หงใหญ่ลงมากินข้าวนะ ไา้ละกำลังจะกินข้าวเห ล, ลิงลงมากินข้าวเขาก็ให้เขาก็พวกเกี่ยวข้าวเขามาใหม่ใหมพวกเด็กมาพวกเราไปให้ไปไล่ลิงไปเนีตกโกนโบกเวกไปตบไม้ตีขอนไปเรื่อยให้ลิงกลัวหลิงอยู่ตีนผูเขาลงมากินข้าวกำลังข้าวเหลือง แล้วก็ถามเอ๊ะเลียงบางตัวนะมันทําไมมาเป็นฝูงแต่บางตัวมันมาคู่ตรงตัวเดียวนะผู้ใหญ่เขาว่านั่นแหละเลียงผีปอบเอ้าเขาว่าผีปอบตอนนี้เราก็เป็นเด็กก็กลัวใช่ไหมเนะี่ยเพราะว่าผีปอบเนะ่ยอ๋มันทําไมผีปอบมันเป็นผีปอบจะมากินคนอย่างนั้นใช่ไหมผู้ใหญ่เขาก็หัวเราะก็ว่าเลิงผีปอบตัวนี้เนะี่ยคล้ายกับว่ามันอยู่กับฝูงไม่ได้ ฝูงของมันเป็นฝูงใหญ่แต่ทีนี้มันจ ะ, จะเป็นจ่าฝูงมันจะแข่งเขามันจะแข่งหัวหน้าเพราะมันจะแข่งหัวหน้าทีนี้ก็หัวหน้าก็สู้กับมันกัดพอกัดถ้าใครเก่งกว่าถ้าหัวหน้าด้อยกว่าหัวหน้าก็กระโดดออกไปหนีออกจากฝูงเถอะเนี่ยเข้าฝูงไม่ได้หัวหน้าก็เป็นผีปอบเลยเถอะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ตามลำพังเยให้พวกตัวนี้ก็เป็นหัวหน้าจ่าฝูง แต่ถ้าหาว่าวนาชนะนะลิงตัวนั้นก็ดูฝูงไม่ได้แตกฝูงออกไปก็เลยไปอยู่ตามลำพังก็ว่าลิงผีปอบคล้ายๆว่าเข้าหมู่เข้าเพื่อนไม่ได้ับว่าผีปอบคำนี้ก็คืออะไรสมัยก่อนบ้านเมืองมันไม่เจริญใช่ไหมยังพ่อเป็นเด็กสมัยก่อนถ้าคนใดไปเรียนคาถาวิชาอาคมมีว่านกระจาย เป็นผีปอผีพงนะมันมีเลยในหมู่บ้านชาวบ้านก็ลุ่มไปแล้วปะนะ่ะเนี่ยไปไร่มันไม่ไหนีก็ค้อนสมเลยกลางคืนนะผลทีนสุดก็ได้ไหนีออกจากบ้านไปไปตั้งบ้านอยู่เนละไปป่าตรงพงไผ่ที่ไหนก็ไม่รู้ละเอาครอบครัวไปมีทั้งผัวเมียลูกไปอยู่ตามลําพังเขาวนี่อันนี้ไอ้เป็นปอบเข้าหมูไม่ได้ก็ว่าคนผีเป็นเป็นปอบ มันกินคนถ้ามาอยู่กับหมูแล้วมันมันมากินเขากินลูกกินหลานเขากินเวลาคนป่วยมันไปซ้ําไปเติมเขานะครับเขาว่าปอบปอบกินคนเนี่ยแหละหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยใครเข้าหมูไม่ได้ก็จะแสดงว่ามันลักษณะอย่า ง, งานั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีความพร้อมเพียงซ้ำมากีรักเมตตากันมีอะไรผิดถูกมันต้องพูดกันได้มนุษย์อยู่ด้วยกันผิดกับถูกไม่รู้เหรอ ยิ่งพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยศีลและวินัยก็มีอยู่แล้วอันไหนผิดอันไหนถูกรู้ไหมควรไม่ควรรู้ไหมเอามาพูดกันมีแต่ตัวเองไม่กี่คนดั น, ด, นดันทุจรังหมดว่าแต่คนอื่นผิดนตัวเองผิดไม่รู้ไม่มองตนเองชี้นิ้วแต่ให้แต่คนอื่นนิ้วที่มันมาหาตัวเองมันเท่าไหร่กี่นิ้วนะ ตรงเราเราทดลองรู้สิพอชี้เนิ้วไปคนอื่นชี้ําปั้นไปคนอื่นนะอมันหามาหาตัวเองทั้งสามนิ้วหนะ่ะหลวงปู่ฟันนันว่าเพราะนั้นเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายมองตอนเองสรุปแล้วอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนควรไม่ควรนะะหลวงพ่อพูดถึงเจดีทะเลถลายมาพูดเรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีนะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาเนี่ เป็นคนกลุ่มใหญ่หมีความเห็นแปลกแตกต่างมันมีอยู่แต่ถึงยังไงก็เถอะนะถ้าเห็นแปลกแตกต่างก็ต้องทบทวนนะต้องทบทวนหลวงพ่อในทบทวนไหมหลวงพ่อในทบทวนแล้วทบทวนอีกแนหะละเวลาหลวงพ่อไปเซ็นสัญญาวันที่สนะิบเจ็ดคนมากไหม คนเป็นหลายร้อยพันพันเป็นหลายพันอาจจะเป็นเกือบจะว่าจะเป็นหมื่นกระชักจะเกินไปหลายพันทั้งที่ไม่มีงานนะวันนั้นไม่มีงานมีแต่ประกาศว่าวันนี้วันที่สิบเจ็ดจะมีการเซ็นสัญญากันเนอะไปร่วมเป็นสักีพยานกันเนอะร์ลูกหลานคณะสัตยาญาณโยมพระเนอะพอเสร็จเซ็นสัญญาเสร็จแล้วพวกเราจะได้สวดอิติปิโสพร้อมกันในวันเซ็นสัญญานะ เพียงแค่นั้นล่ะอคนไปทุกหัวละแห่งมากที่เดียววันนั้นอย่างพวกเราเห็นแล้วจะว่าความพร้อมเพียงสมัครี่ไหมถ้าจะจัดประวันอย่างนั้นเป็นวันพร้อมเพียงสมัครขีของสิทธิ์ไหมผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีไหมมีเ อ, อมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีแต่ไม่แสดงออกตนออกมาอยู่ในที่มุมมุมมืด เออถ้านั่นก่อนนะออยู่ในมุมมืดไม่โผล่ออกมาก็ต้องโผล่ออกมาที่แสดงความคิดเห็นสิอันนั้นคือความถูกต้องเป็นธรรมในหมู่ในคณะอถ้าว่าอยู่ในมุมมืดแล้วไปแสดงอากับกิริยาออกมานั้อันนั้นไม่ดีนะหลุงพ่อว่าไม่ดีไม่ใช่นักเลงพอไม่ใช่ผู้มุ่งหวังอัตธรรม ขวานนักเลงค่ะเนี่ยมันนักเลงกล้าพูดกล้าแสดงในถึงสิ่งที่ถูกต้องฮถูกพอนักเลงนะอใช้ก็ว่ากล้าพูดกล้าแสดงกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละนักเลงทำนะถ้านักเลงกิเลสนะน่อกล้าพูดกล้าแสดงในในสิ่งที่มันชั่วเอสิ่งที่มันชั่วน่ะกล้าพูดกล้าแสดงในสิ่งที่ดีหุบปากไม่กล้าพูดนะเอไม่กล้าพูด ในสิ่งที่มันดีในสิ่งที่มันถูกต้องในสิ่งที่มันจะเป็นธรรม อ, อ, อันนั้นไปว่านักเลงชั่วนะถ้านักเลงดีเ็าต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมกล้าพูดกล้าแสดงมีเหตุมีผลในการแสดงออกนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ฟังเอาไว้นะดัะนั้นการเกิดมาในพื้นแผ่นดินในพื้นปฐพีเนี่ยนะมันทั้งมีทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละถ้าว่าพวกเราเห็นว่า การกระทำของเราเนี่ยเอา้าหลวงพ่ออินทําอย่างนี้มีคนคัดค้านาหลวงพ่ออินก็งอไม่ทำเขาก็จะคัดค้านไปเรื่อยอีกเหมือนกันใครจะเห็นด้วยถ้าเราคิดดีแล้วเนี่ยถึงนิธ่มันดีเนี่ยใครจะเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเราก็ามันดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตามที่เราเห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ได้เหยียบย่ําทําลายคนอื่นถ้าเหยียบย่ําทําลายคนอื่นถ้ามันผิดพลาดก็พูดมาสิออกมาเลยตรงๆบอกมาพูดกันได้นี่ถ้าจะให้คนอนุโมทนาสาธุซะก่อนเออสาธุเออเนี่ยแหละพวกเราจะมาบวชเป็นชีมาบวชเป็นพระมาเข้าวัดให้ชาวบ้านลูกหลานทุกคนอนุโมทนาทุกคน เ, เห็นด้วยนะเออ ถ้าไม่เห็นด้วยข้าพเจ้าจะไอย่างไปเข้าวัดเออขอควรจะคัดค้านอีกโอ้ยไม่เห็นด้วยหรอกไปทําไมจุ่งเหยิงพุ่นวายข้าไม่เห็นด้วยเออพอไม่เห็นด้วยก็ไม่เข้าวัดพอไม่เข้าวัดเกิดชาตินี้ก็ไม่ได้เข้าเกิดมาอีกชาตินาคาถามอีกถามอีกเขาก็ไม่เห็นด้วยอีกไม่ได้เข้าอีกตายอีกเกิดมาอีกลวงพ่อเกิด กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติจะให้คนอนุโมทนาสาธุเป็นเสียงเดียวกันซะก่อนจึงทำความดีนะหลวงพ่อยังมองไม่เห็นนะหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบสามปีปีนี้แหลอที่ถึงจะทำความดีก็เจอถึงจะทำความชั่วก็เช่นเดียวกันนะเว้นเสียแต่ว่าเออเอาคนคนเซนเดียวกันคนกลุ่มเดียวกัน คนมีความคิดแบบเดียวกันเอออนะั้นไม่ว่ากันเอาวันนี้ไปตกปลาในสระนั้นทั้งวันพอพูดแล้วน่าก็ลุ่มไปไอ้พวกคนศิลป์คนธรรมไปตกปลาบาปตายหาตายหงไปฆ่าสัตว์เนี่ไอ้พวกนี้เคคัดค้านอีกใช่ไหมล่ะไอ้พวกนี้เอาไปภาพกันไปวัดไปวานไปฟังธรรมจำศีล น, นะวันนี้นะไปฟังเทศนะไอ้พวกที่บาปพระกุศลในจิตในใจหไปนั่งสับปะงกง ก, กันมันจะมีประโยชน์อะไร เราไปหายอยู่หากินไปหากินเหล้าเมายาเราจะดีกว่าแนะ่มันเป็นสองพักสองฝ่ายอยู่แล้วในเรื่องความดีกับความชั่วเนี่ยมันเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ดึกดําบันตั้งแต่สร้างโลกมาเพราะนั้นอย่าไปแปลกใจในการที่ประกอบความดีแต่เราเห็นว่าดีไหมดีดีกับชั่วมันเป็นยังไงในประเทศไหนไม่มีคนคุกมีไหม ไม่มีคนชั่วมีไหมแล้วคนประเทศไหนที่เป็นคนดีมีไหมมันก็มีดีกับชั่วอยู่ทุกประเทศเกิดมาในโลกเนี่ยเพราะนั้นพวกเราอย่าแปลกใจนะคณะศัทยญาติโยมแต่ให้มองตัวเองข้าไปเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นนั่นแหละเป็นหน้าที่ของพวกเรานะแต่จะให้คนอื่นทำดีซะก่อนตัวเองยังประพฤติปฏิบัติดีเห็นให้คนเห็นด้วยซะก่อนอย่าหวังนะ ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติก็ไม่ได้ทำความดีนะเนี่ยวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนโมทนาให้พรรับพอในตอนนี้นะ